เระอเช้ามีรายการพิธีมาสัมภาษณ์ก็เลยรู้ว่าวันนี้เป็น วันความสุขสากลคือสาชารชาติกำหนดว่าวันนี้เป็นวันสุขสากลก็คงชี้ว่าความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นสิทธิ ท, ที่ทุกค น, นควรจะมีแต่ว่าสิทธินี้นคนก็คงจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ถึงกับจัดให้วันนี้เป็นวันสุกสากลก็ได้พูดให้ัมภาพไปว่าความสุขนี่มันมีสองแบบนะพูดอย่า ง, งกว้างๆนะคือความสุขที่ร้อนที่เกิดจากการกระตุ้นรราอยากได้โนูน่นอยากได้นี่ ต่อความสุขที่เป็นความสงบเย็นหรือเกิดจากความสงบเย็นความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นเรานี่เป็นความสุขที่ร้อนนะคือพ อ, พอถุกกระตุ้นแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเสพนะครนี้พออยากมีอยากเสพแล้วเนี่ยเพียงแค่ความอยากเกิดขึ้นนี่ก็ทุกข์แล้วนะพอะความอยากมีอยากเสพเนี่ยมันทําให้จิตใจเร้าร้อน แล้วก็ทำให้ไม่มีความสุขในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เพราะว่าสิ่งที่มีหรือสิ่งที่เป็นเนี่ยมันหมายความว่ายัางไม่มีสิ่งที่อยากคนเราไม่มีความสุขกับปัจจุบันทันทีที่รู้สึกว่าไอ้ปัจจุบันนี้ยังไม่มีสิ่งที่อยาก เ, เพราะคนเรา ไม่ได้อยากสิ่งที่มีนะอยากสิ่งที่ไม่มีพอรู้ว่าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างที่อยากก็ทุกขึ้นมา ท, าทันทีถึงบอกว่าเพียงแค่เกิดความอยากก็ทาให้ทุกข์แล้วแล้วก็ยิ่งต้องไปแข่งขันดิ้นรนกับเขานีมันก็ทุกข์เข้าไปใหญ่ถ้าเกิดไม่ได้มาก็ยิ่งทุกข์หรือถึงแม้จะได้มาก็มีความสุขชั่วคราว แต่เดี๋ยวๆหรือผ่านไปไม่นานก็ไม่มีความสุขแล้วก็ยกตัวยอย่างก็ฟังว่านี่ยอย่างอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีคนจํานวนมากมีไปเข้าคิวต่อแถวเพื่อที่จะซื้อ iPhone รุ่น 4S นะคนอยากได้มากถึงกับไปต่อแถวคอยเป็นชั่วโมงๆต่อแถวเป็นชั่วโมงแล้วไม่ได้ก็เยอะนะเพราะว่าของหมด หรือว่าได้มาแล้วพอมาถึงวันนี้ก็รู้สึกเบื่อรู้สึกว่าไอของที่ตัวมีนี่มันไม่พ่อท่าฉัแลวเพราะว่ามันรุ่นเก่าตกรุ่นคนที่ได้ iPhone 4S หรือมี iPhone 4S ตอนนี้ก็อยากจะได้ p h o n e รุ่นใหม่คือ iPhone 5ไอที่เคยอุตส่าห์ไปต่อคิวเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่ ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของมันแล้วอยากจะขายถูกๆหรือว่าแจากก็มีนะจะได้มีของใหม่จะได้มีข้ออ้างไปหาของใหม่ในระหว่างที่ได้มาแล้วก็ไม่ใช่มีความสุขนะเพราะว่าของราคาแพงก็ต้องพยายามใช้ใคุ้มก็พอใช้คุ้มนี่ก็เลยต้องเสียเวลาใช้มันต้องไปโหลดโนด่โนโหลดนี่มาจะได้คุ้มค่าการซื้อ คุ้มค่ากับราคาสองหมื่นกว่ากว่าที่เสียไปเลยไม่ค่อยสนใจลูกไม่ค่สนใจคนที่อยู่ในบ้านมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับเครื่องนะอันนี้ก็ถามว่าเป็นความสุขไหมนะมีสุขชั่วคราวแล้วก็เบื่อแต่ความสุขที่มันเป็นความสงบเย็นเนี่ยนะ มันอยู่ได้ ย, ยั่งยืนกว่าความสุขที่เกิดจากการตุ้นล่อ เ, เป็นความสุขที่เกิดจากการไดนะ้ส่วนความสุขที่สงบเย็นเป็นความสุขที่เกิดจากการมเาีเกิดจากการให้การสละเช่นเราให้ทานเราให้เงินกับคนยากคนจนเพียงแค่นะให้เราก็มีความสุขแล้ ว, ลวยิ่งมีความสุขมากขึ้นเมื่อเขายิ้มเมื่อเขามีความสุข หรือว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มีความสุขอย่างพ่อแม่มีความสุขที่ได้เสียสละเพื่อลูกเพื่อนมีความสุขที่ได้เสียสละให้กับเพื่อนหรือว่าคนไม่รู้จักคนแปลกหน้าก็ตามความสุขทางโลกนี่มันต้องมีเยอะๆต้องได้มากๆแต่ความสุขทางธรรมนี่มันต้องเกิดขึ้นจากการสละออกไปเริ่มจากรูปธรรมคือข้าวของ แล้วก็สละนามธรรมเช่นความโลภความโกรธนะความเกลียดพอใส่ไปแล้ววางหรือวางได้มาสลักก็ยังมีความสุขมากเท่านั้นก็บอกเข้าไปได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเนี่ยอยากจะมีความสุขกันมากแต่พอะคิดแบบนี้หละถึงมีความทุกข์เพราะว่าพออยากมีความสุขมันก็จะคิดถึงแต่ตัวเองจนถึงขั้นหมกมุ่กับตัวเอง ไม่ค่อยสนใจคนอื่นแล้วคนที่ยิ่งคิดถึงแต่ตัวเองมากเท่าไหร่หรือเห็นความสำคัญของตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีความทุกข์เพราะว่าอัตราตัวตนมันจะใหญ่มีอะไรมากระทบก็ไม่ได้ตรงข้ามกับคนที่คิดถึงคนอื่นไม่ได้นึกถึงความสุขของตัวเองแต่คิดถึงคนอื่นคนอย่างนี้จะมีความสุขง่ายเพราะว่าเขาคิดถึงคนอื่นเขาอยากจะช่วยเหลือ พนะอเขาชั่วเขาก็มีความสุขเป็นความสุขที่ไม่ได้ต้องการอยากจะได้แต่ว่ามันได้เองมันก็แปลกนะอยากได้ความสุขกลับไม่ได้แต่พอไม่อยากได้ความสุขหรือไม่สนใจที่จะได้ความสุขกลับไดนะ้คนทุกวันนี้นี่อยากได้ความสุขมากก็นะอย่างที่บอกนะเพียงแค่อยากก็ทุกข์แล้วแล้วก็ ไอ้ความอยากมีความสุขก็ทําให้นึกถึงแต่ตัวเองนะพอเนื่องถึงแต่ตัวเองนี่นะมันก็ทุกง่ายนะคนที่ไม่ได้อยากจะมีความสุขแต่ว่าเขาทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะคราบก็มีความสุขเป็นผลพอยได้ นี้มันก็เป็นธรรมดาโลกนะยิ่งอยากได้กลับไม่ได้แต่พอไม่อยากได้ยิ่กลับได้อยา่างอยากได้ความสงบนะคนที่อยากได้ความสงบเนี่ยยิ่งภาวนาเท่าไหร่ยิ่ ง, ยยงไม่มีความสงบนะบเพราะว่าพอใจฟุ้งซ่านนิดหน่อยก็ทุกข์ละมันไม่ยอมรับความฟุ้งซ่านผักใสไม่ชอบแต่ว่าคนที่ ปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่ได้อยากได้ความสงบแต่ว่ากลับได้ความสงบนะเป็นรางวัลเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับใจจะพุ่งสร้างก็ยอมรับเสียงจะ ด, ดังก็ไม่ว่าอะไรนะไม่ได้ปักสายไม่ได้ตอบข้าความสงบ ก, ก็จะมาเองใน่อนอนดีกันนะความรักเนี่ยอยากได้ความรักคนที่อยากได้ความรักก็ยิ่งไม่ได้ เพราะว่าพ อ, อยิ่งอยากได้ความแล้วก็จะคอยเรียกร้องคอยคาดคั้นจากคนที่ตัวงรักจากคนที่อยู่ใกล้พอไปคาดคั้นมากๆเรียกร้องมากๆเขาก็ลาคาญเขาก็ละอายเขาก็เลยหนายแหนง่งนตะีจ่าออกไปแต่ถ้าไม่เรียกร้องความรักจากใครนะดีแต่จะให้ความรักกับเขายิ่งให้กับยิ่งได้ ยิ่งให้ความรักกับคนอื่นก็ยิ่งได้แต่ยิ่งเอากลับไม่ได้มันแปลกนะยิ่งให้กลับได้ยิ่งมยิ่งอยากได้กลับไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนที่คิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้แต่คนที่คิดแต่จะให้นี่แท้ๆก็อยากอยู่ใกล้และพอได้รับความรักจากใครเขาก็ให้ความรักตอบอันนี้มัน มันเป็นธรรมดาโลกนะลองสังเกตดูทุกอย่างยิ่งอยากได้ความเคารพก็ยิ่งไม่ได้เพราะว่าพอยิ่งได้ไา้ได้ความเคารพพอเขาไม่สแสดงความเคารพอย่างที่ต้องการก็ไม่พอใจก็ไปว่าเขาตำหนิเขาพอก็ยิ่งใสยห่าเขาก็ยิ่งรังเกียจแต่ไม่อยากได้ความเคารพจากใครไม่ได้เลยลองจากเขาก็ปฏิบัติกับเขาด้วยความเคารพ ก็กลับได้ความลบความเคารพจากคนอื่นแทนเป็นการตอบแทนวันนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ความสุขนะีอย่างแรกที่ต้องที่ควรจะมทมก็คือลดความอยากให้น้อยลงนะคนที่อยากได้ความสุขนะีอย่างแรกที่ต้องทําคือลดความอยากให้น้อยลงแล้วความสุขมันจะมาเองมีคนเขานะเขาเขาเขียนภาพภาพหนึ่งเขียนว่าฉันอยากมีความสุข เป็นข้อความว่าฉันอยากมีความสุขและเขาก็ขีดคำว่าฉันแล้วก็อยากมีพอขีดคำว่าฉันและคาว่าอยากมีสิ่งค ำ, คำที่เหลือก็คือความสุขความหมายของความสุขมาเมื่อไม่มีฉันแล้วก็ไม่มีความอยากความสุขเกิดขึ้นเมื่อละวางลดละตัวฉันหรือว่าหมดความอยาก แต่แต่ที่ยังมีความสุขฉันอยากมีความสุขมันก็ไม่ได้พอไม่มีตัวฉันไม่มีความอยากความสุขก็เกิดขึ้นทันทีอันนี้ก็ฝากให้พวกเรานะแต่พิจารณานนีะ่วันนี้ก็จะกลับแล้วนะก็ลองไปฝึกดูนะว่าจะลดความฉันจะลดตัวฉันและความอยากมีได้อย่างไรถ้าทําไดนะ้ความสุขก็จะมาเองอแล้วก็เตรียมละคร